ยอมจะฝืนทนนั่งต่อไปไม่ได้บรลลังสมาธิที่ขัดไว้ด้วยดีในเวลาปกติน่าจะแตกจากกันในไม่กี่ชั่วโมงยังไม่เป็นขบวนเพราะความเจ็บปวดรวดร้าวเป็นไปทุกอวัยวะน้อยใหญ่หลังมือหลังเท้าราวกับถูกไฟเผาทำให้ร้อนกระวนกระวายทั้งกายทั้งใจส่วนกายนิวร่างกายเป็นเสมือนกระดูกทุกท่อนติดต่อกัน จะแตกกระเด็นออกคนละชิ้นละอันเพราะความเจ็บปวดระบมไปทั่วร่างกายนอกนั้นใจยังแสดงความระส่ำระสายไปด้วยเพราะกลัวตัวจะตายในขณะนั้นจนได้ทำให้หวันไหวไปทั่วร่างกายและจิตใจกลัวจะทนต่อไปไม่ไหวทุกขเวทนาที่แสดงขึ้นในเวลานั้นก่อนจะถึงเวทนาใหญ่ที่สำคัญกว่าเพื่อน มีถึงสามวาระล้วนแต่เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานๆกว่าจะสงบลงลำพังตัวเองโดยไม่มีการกำจัดต้านทานโดวยวิธีต่างๆอย่างใดพอสงบลงไปสักพักก็เริ่มขึ้นมาอีกทำนองนี้ถึงสามครั้งแต่ละครั้งเวทนาเหล่านี้ต้องตั้งอยู่และซาบซ่านไปตามสัมพังร่างกายน้อยใหญ่เป็นเวลานานค่อยสงบลงจนถึงวาระที่สี่ ซึ่งเป็นวาระของทุกขเวทนาใหญ่หรือกองทัพกองทุกใหญ่เข้ามาถึงบัลลังก์ที่นั่งคัศมะอยู่เวลานั้นนับแต่กองทัพกองทุกใหญ่เข้าถึงตัวแล้วเท่านั้นร่างกายทุกส่วนเป็นเหมือนกองเพลิงทั้งกองเอาเลยข้างนอกกายมันถูกไฟลนข้างในกายเหมือนถูกทุบตีด้วยคอนและทิมแทงด้วยเหล็กอันแหลมคม ปรากฏว่าระบมไปหมดทั้งร่างเรากับจะแตกทลายจากกันเป็นผุยผงไปคนละทิศละทางในขณะนั้นเพราะอำนาจความทุกข์ทรมานเผาพลานอยู่รอบด้านทุกขเวทนาใหญ่นี้นับแต่ขณะที่ก้าวเข้ามาถึงกายแล้วไม่มีเวลาขยับขยายตัวออกพอได้รับความผ่อนคลายทางกายบ้างเลยมีแต่บีบขยี้ทุกตีให้แหลกไปท่าเดียว ตอนนี้แม่จิตจะกำลังพิจารณากับธรรมะขแขนงใดอยู่ก็จำต้องถอยทับกลับย้อนสติปัญญาและกำลังทุกด้านเข้ามาพิจารณาทัดทานกันอย่างเอาจริงเอาจังมิฉนั้นร่างกายจิตใจจะกลายเป็นทะเลไฟไปเสียหมดเพราะทุกขเวทนากล้าสาหัสกำลังเหยียบย่ำทำลายกายและยังเขย่าใจให้สันสะเทือนไปด้วยความกลัวตายว่าจะสู้ไม่ไหว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 ยอมทราบทุกขเวทนาต่างๆได้พอประมาณทุกขเวทนาเล็กที่เกิดขึ้นสองสวาระแล้วสงบลงไปเองนั้นถ้ายัางไม่เคยเจอเวทนาใหญ่มาก่อนก็น่าจะเรียกว่าเป็นเวทนาใหญ่ได้เหมือนกันแต่พอเจอเวทนาใหญ่จริงๆแล้วเวทนาเหล่านั้นเลยกลายเป็นเรื่องเล็กไปเพราะความรุนแรงระหว่างเวทนาทั้งสองนี้ผิดกันอยู่มาก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 ความอยากให้เวทนาหายและคิดท้อใจว่าจะทนสู้ไปไม่ไหวเป็นต้นนี่คือสมุดไทยเครื่องส่งเสริมทุกให้มีกำลังกล้ายิ่งขึ้นจะปล่อยให้คิดขึ้นมาในขณะนั้นไม่ได้เด็ดขาดถ้าไม่อยากล้มละลายแบบไม่เป็นท่ามีสติกับปัญญาเท่านั้นที่ต้องผลิตขึ้นมาด้วยอุบายต่างๆเพื่อให้ทันกับเวทนาในเวลานั้นโดยแยกแยะ ก, กายเวทนา ออกทดสอบเทียบเคียงกันดูจนทราบความจริงของแต่ละสิ่งอย่างชัดเจนด้วยปัญญาการแยกแยะ ก, กายควรถือเอาจุดสำคัญที่ว่าเป็นทุกมากกว่าที่อื่นใดออกพิจารณาเช่นกระดูกขาวหรือกระดูกเขา่าเป็นทุกมากก็กำหนดจิตตั้งสติพิจารณาปัญญาลงในจุดนั้นว่ากระดูกนี้เป็นทุก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 ขนะดนำไปเผาไฟกระดูกแสดงอาการเป็นทุกข์อย่างไรให้ปรากฏหรือไม่ถ้าไม่แสดงทุกข์คือความเจ็บปวดรวดร้าวให้ปรากฏเลยกระทั่งถูกไฟเผาจนกลายเป็นเท่าเป็นฐานไปเช่นนั้นการไปเหมาเอาด้วยความสําคัญว่ากระดูกเป็นทุกข์ทั้งที่กระดูไม่ได้เป็นทุกข์ดังเข้าใจนั้นจะไม่อับอายกระดูกและอ ว, วัยวะส่วนต่างๆที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน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 เมื่อเป็นเช่นนี้จะถือว่ากระดูกเป็นทุกข์หรือทุกข์เป็นกระดูกก็ต้องเป็นความเห็นผิดเป็นความถือผิดจากความจริงซึ่งเป็นที่น่าอับอายความจริงอย่างยิ่งที่ไม่ได้เป็นไปตามความสำคัญม่นหมายใดๆเลยขณะที่กําลังคลี่คลายแยกแยะ ก, กระดูกกับเวทนาเพื่อทราบความจริงนั้น จิตและสติปัญญาต้องจดจ่อและทำหน้าที่ด้วยความสนใจกับงานนั้นจริงๆจะส่งจิตไปอื่นไม่ได้ต้องหมุนตัวอยู่กับกิจที่กำลังพิจารณาและพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังจนเป็นที่เข้าใจประจักษ์จะพิจารณากี่เที่ยวไม่สำคัญแต่พิจารณาจนเข้าใจอันเป็นจุดมุ่งหมายของงานนี้เมื่อเข้าใจชัดเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งแล้ว จิตยอมซึมทราบไปในอวัยวะอื่นๆซึ่งมีลักษณะเหมือนกันไปเองอันดับต่อไปในเวลาเดียวกันก็แยกเวทนากับจิตออกทดสอบเทียบเคียงกันดูด้วยสติปัญญายังละเอียดถี่ถ้วนเช่นเดียวกับการแยกกายกับเวทนาออกพิจารณาโดยตั้งปัญหาถามตัวเองว่า จิตเป็นเวทนาหรือเวทนาเป็นจิตอย่างไรกันแน่ถ้าจิตเป็นเวทนาจริงดังความสำคัญเวลาทุกเขเวทนาดับไปทำไมจิตจึงมิได้ดับไปด้วยเล่าและถ้าเวทนามาเป็นจิตเมื่อจิตมีอยู่ตราบใดทุกเขเวทนานี้ต้องมีอยู่ตราบนั้นจะดับไปไม่ได้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 การแยกแยะไม่ว่ายากยากกายกับเวทนาหรือแยกแยกจิตกับเวทนาสติกับปัญญาต้องหมุนติ้วอยู่ในวงงานที่ทำจะส่งออกไปอื่นไม่ได้เวลานั้นทุกขเวทนาแสดงตัวมากเพียงไรสติปัญญายิ่งพิจารณาไม่หยุดหย่อนเพื่อความรู้จริงในสิ่งที่ประสงค์อยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจเวทนาจะกำเริบหรือลดตัวลง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 จิตก็จริงต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่ตามความจริงของตนขณะที่ต่างอันต่างจริงนั้นจะได้เห็นความอัศจรรย์ของจิตและเห็นความอาจหานของจิตว่าสามารถแยกตนออกจากเวทนาทั้งหลายได้อย่างอัศจรรย์เกินคาดนอกจากนั้นยังเกิดความอาจหานต่อความเป็นความตายที่ขวางหน้าอยู่ อย่างไม่สะทกสถ้านใดๆอีกด้วยเนื่องจากได้เห็นหน้าตาเวทนาที่เคยหลอกลวงให้กลัวเป็นกลัวตายอย่างประจักษ์ใจแล้วในขนาดนั้นเราวต่อไปแม้เวทนาจะแสดงความกล้าสาหัสมากมายขนาดใดใจก็สามารถพิจารณาได้ทรรมนองที่เคยพิจารณาและเข้าใจมาแล้วการรู้เห็นอย่างนี้แหลคือการรู้เห็นสัจธรรม ด้วยสติปัญญาแท้แม้จะมิใช่รู้เห็นขั้นเด็ดขาดฟาดกิเลสให้จมไปโดยสิ้นเชิงก็ตามแต่กิเลสจะจมมิดหัวไม่มีฟื้นได้ก็ต้องอาศัยวิธีนี้เป็นเครื่องดำเนินในวาระต่อไปท่านผู้ใดกล้าหารต่อสู้กับทุกขเวทนาด้วยการพิจารณาตามวิธีนี้ไม่ยอมถอยทัพพับบัลังแบบสิ้นท่า ท่านผู้นั้นต้องการชัยชนะจากวิธีนี้โดยไม่มีทางสงสัยทั้งยังจะเห็นรอยพระบาทที่พระศาสดากับพระสาวกสเสด็จไปอย่างสดสดร้อนๆอนโดยลำดับและอาจลืมคำว่าพระองค์ปรินิพานไปได้ 2,500 ปีเสษ็จแล้วซึ่งแสนนานก็ได้เพราะความจริงกับศาสดาเป็นอันเดียวกันศาสดาแท้มิใช่การสถานที่บุคคล พอจะเปลี่ยนแปลงห่างเห็นว่าปลายกันลิบลับกับเราตั้ง 2,500 ปีเศษแต่ควรทราบว่าความจริงอยู่ที่ใดาศาสดาก็อยู่ที่นั้นเพราะธรรมะเกิดจากความจริงที่พิจารณารู้เห็นอย่างเต็มภูมิไม่นอกเหนือไปจากนี้ดังนั้นท่านที่สามารถพิจารณาทุกขเวทนาจนถึงความจริงของกายของเวทนาของจิต ยอมเห็นธรรมะอย่างประจักษ์โดยลำดับซึ่งไม่นิยมการสถานที่เป็นเครื่องพิสูจน์ตัดสินเลยดังธรรมะแสดงไว้ว่าดูก่อนอา น, นุ์ถ้าการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมยังมีอยู่พระอรหันย่อมไม่สูญจากโลกดังนี้ซึ่งเป็นพระโอวาทที่ตรัสเพึงเส้นพระกระแสะเสียงไปเมื่อสักครู่นี้เท่านั้น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 ไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อส่งวิมุตตหลุดพ้นไม่กังวลกับกองทุกน้อยใหญ่ทั้งหลายอีกต่อไปเป็นเวลานานซึ่งแสนน่ารําคาและกังวลใจหนักหนาได้นำไปพิจารณาเพื่อหาทางออกโดยอาศัยกองทุกในขันเป็นหินลับสติปัญญาให้คมกล้าตามแต่อุบายจะพลิกแปลงแก้ไขตนด้วยวิธีต่างๆซึ่งมีมากมายเหลือที่จะนากล่าวได้อย่างละเอียดทั่วถึง เพราะการพิจารณาธรรมทั้งหลายเป็นเทคนิคของแต่ละรายจะผลิตมาใช้เพื่อเปลืองตนใครเป็นนักใครครวนไตรตรองผู้นั้นจะเจอทางออกจากกองทุกขในเรือนจำแห่งวัฏสงสารมีพระนิพพานเป็นที่สถิตมีความสงบสุขเป็นนิจนิรัน์แต่ใครกลัวทุกขไม่ยอมพิจารณา ก็เท่ากับสงวนหัวน้ำที่ฝังจมอยู่ในฝ่าเท้าไว้ให้กำเริบเป็นหนองและทำความเจ็บปวดแสบร้อนนอนคลางไปนานและอาจทำความกำเริบจนเท้าเสียใช้การอะไรไม่ได้กลายเป็นคนพิการง่อยเปลียเสียอวัยวะไปได้ส่วนผู้เห็นภัยรีบถอดถอนน้ำออกเสียแม้จะเจ็บปวดเพียงไรในขณะนั้นก็ยอมทนเอาแลก็นับวันจะหาย ความเจ็บปวดก็ไม่ทรมานไปนานและมีวันจะหายกลายเป็นผู้หมดทุกข์กังวลในวันข้างหน้าพราะกล้าเผชิญทุกขเพื่อ น, นําสุขมาสู่ตนท่านผู้นี้นับว่าสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตนโดยถูกทางท่านที่กล้าหานต่อสู้พิจารณาทุกขเวทนาในขันก็เช่นกันแม้ทุกขจะมีมากน้อย